อนาปติวานพิชฌณีต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ960 1. ภพิกษณียังไม่ถูกสงสวดสมรุภาส 2. ภพิกษณียอมสละ 3. ภพิกษณีวิกลจริต 4. ภพิกษณีต้นบัญญัติสิบข้าบทที่6จบ